ประหนึ่งว่าเพลิงเผาตนเองและสัตว์อื่นให้ร้อนพระหรุไทยมาลาสุขสมบัติเสียออกสแสวงหาธรรมที่สิ้นทุกข์ดังนี้ชอนอื่นทำไมเล่าจึงไม่เห็นอย่างพระองค์นั้นแก่ว่าพระองค์เคยย่ำยีแยกกระจายกระจายสังขารเห็นความจริงสามประการคืออนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์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 นิวรห้าคือการมฉันทะความใคร่ความพอใจในการมคุณหนึ่งพยาบาทความปองร้ายหนึ่งทีนามิทะความง่วงเหงาหาวนอนหนึ่งอุทธะจากกุกุจะความฟุ้งซ่า ร, รำคาญใจหนึ่งวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยหนึ่งรวมห้านี้เรียกว่านิวรเพราะเป็นของกั้นกุศลธรรมมีสมาธิเป็นต้นนี้ให้เกิดขึ้นได้เป็นของทาใจให้เศร้าหมอง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 หรือว่าสติเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์สติแปลว่าความระลึกสตินี้เป็นเจตสิกตัวเดียวไม่เป็นสองเหตุใดจึงว่าสติประฐานสี่ลาวซึ่งกล่าวว่าสติประฐานสี่นั้นด้วยสามารถอารมณ์เป็นที่เข้าไปตั้งอยู่แห่งสติอารมณ์แห่งสติสี่ก็คือกายหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมหนึ่งก็คือขันห้านั่นเอง กายก็เป็นรูปะขันเวทนาก็เป็นเวทนาขันจิตก็เป็นวิญญาณขันทำก็คือสัญญาขันและสังขารฐันธ์นั่นเองสติปารพเอาเอกเทศแห่งกายมีลมหายใจเป็นต้นหรือปารพสกุลกายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นอารมณ์แลเห็นความสิ้นความเสื่อมความเกิดความดับแห่งกายหรือเห็นว่ากายเป็นของปฏิกูลหรือเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุก็ดีหรือสักว่าเป็นแต่กายก็ดี ดังนี้นั้นชื่อว่ารายานุปัสนาสติปัฏฐานสามารถเจริญได้ทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาถ้าพิจารณาด้วยความเป็นของปฏิกูลก็เป็นสมถะพิจารณาด้วยความเป็นธาตุก็เป็นวิปัสนาพิจารณารมหายใจก็เป็นสมถะเบื้องต้นแต่ว่าเป็นวิปัสนาตอนปลายก็ได้สติปารลอเวทนา3คือสุขทุกขเบขาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ ได้เห็นความสิ้นความเสื่อมความเกิดความดับแห่งเวทนาหรือเห็นว่าศักว่าเวทนาเท่านั้นก็ดีดังนี้นั้นชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปาฐานการยันปัสนานั้นมีถึงสิบสี่ข้อสิบสี่ประภะด้วยกันจะเลือกพิจารณาเจริญอันใดอันหนึ่งหรือว่าเจริญทั้งหมดก็ได้ลมหายใจเป็นข้อหนึ่งเอริบทสี่เป็นข้อหนึ่งสมพันธยัติสี่เป็นข้อหนึ่งอริยบทย่อยแล้วก็พิจารณาโดยอาการปฏิกูลอาการสามทสอง พิจารณาามเป็นทาตุข้ห้าแล้วก็ป่าช้าก้าก็คือพิจารณาทราบศพในาการต่างๆตายแล้ววันหนึ่งขึ้นพองอืดสองวันสามวันมีน้ําเหลืองไหลหรือว่าพิจารณาทราบศพที่ถูกแรง้งถูกกาถูกสัตว์สุนัขบ้านสุนักขกิ้งจอกกัดกินหรือว่าทราบศพที่เป็นร่างกระดูกมีเลือดเนื้อมีเอ็นผูกรัดอยู่หรือว่าร่างกระดูกที่ไม่มีเนื้อแล้วเพื่อนแต่เลือดยังมีเอ็นผูกรัดอยู่หรือว่า ท่าศพที่เป็นร่างกระดูกไม่มีเลือดไม่มีเนื้อแล้วยังมีเอ็นผูรับอยู่หรือว่าไม่มีเอ็นผูรัดแล้วก็เรื่ยรายกระจายไปยังทิศต่างๆกระดูกมือเท้าแข้งขากระดูกหน้าอกสันหลังกระดูกศรีษะกระดูกฟันก็กระจัดกระจายไปยังทิศต่างๆหรือว่าพิจารณาร่างกระดูกที่เก่าเกินปีหนึ่งแล้วทิ้งเรี่ยรายไว้จนกรทั่งขาวเป็นสีเหมือนกับสีสังแล้วก็ผูละเอียดไปป่าช้าก้าวยหญ่ รวมเป็นสิบสี่ข้อด้วยกันเวทนามีเก้าข้อเก้าบับพะก็คือเวทนาสามแล้วก็อิงอามิตรไม่อิงอามิตรอาศัยอามิตรไม่ยาไัยอามิตรคูณเข้าไปก็เลยเป็นเก้าส่วนสติปารพเอาจิตกอบด้วยราคะความกำหนัดหรือจิตปรักจากราคะเป็นต้นอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ได้เห็นความสิน้นความเสื่อมความเกิดความดับแห่งจิตหรือเห็นว่าสัแต่ว่าจิตเท่านั้นก็ดี ดังนี้ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาสติปฐานก็มีถึงสิบหกข้อด้วยกันจิตมีราคะปัสจากราคะมีโทสะปรัสจากโทสะมีโมหะปัสจากรมโหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคัตจิตไม่เป็นมหคัตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นแล้วก็จิตหลุดพ้นจิตยังไม่หลุดพ้นทั้งหมดก็เป็นโลกิยะจิตหมดไม่พูดถึงโลภุตราจิต ส ต, ติป ร, รบเอาธรรมคืออุปาทายรูปหรือสัญญาหรือสังขารขันที่พ้นจากกายเวทนาจิตอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์และเห็นความสิ้นความเสื่อมความเกิดความดับแห่งธรรมหรือเห็นว่าเป็นสักว่าธรรมเท่านั้นก็ดีดังนี้ชื่อว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็มีห้าข้อด้วยกันห้าบัพพะแต่ว่าละเอียดมากก็คือพิจารณานิวรห้าบัพพะหนึ่งพิจารณาอุปาทานขันห้าบัพพะหนึ่ง พิจนาอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหก บ, บพะหนึ่งแล้วก็พอชงเจ็ดบพะหนึ่งอริยสัตว์สี่บพะหนึ่งก็ละเอียดที่สุดก็ในองค์แห่งปฏิจจสุ บ, บาท1สิบสองมีอวิชชาเป็นต้นมีชรามรณะเป็นที่สุดนั้นอวิชชาสังขารอายตนะปัสสะตัณหาอุปาทานพบอุปาทยรูปในรูปและสัญญาเจตนาเอกอคตาชีวิ ต, ตินทรีย์ในนาม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 นึกพินิจัยดังกล่าวมาแล้วในก่อนชื่อว่าพระองค์ตั้งจิตเฉพาะด้วยดีในสติปัฏฐานสี่โคดชงแปลว่าองค์ว่าเหตุแห่งความตรัสรู้เท่าสังขารโคดชงเจตนั้นคือสติความระดึกได้ได้แก่สติปัฏฐานนั่นเองธรรมวิจยะความเลือกความค้นซึ่งทำว่านี่กุศล น, นี่อกุตลเป็นต้น ได้แก่ปัญญาที่ปราราองค์ปฏิจจสุบาทมีอวิชชาเป็นต้นและอารมณ์แห่งสติปฐานมีกายเป็นต้นเป็นอารมณ์และเห็นความสิน้นความเสื่อมแห่งอารมณ์นั่นเองวิริยะความเป็นคนกล้าได้แก่เพียรพยายามมะละอกุศลมีนิวรห้าเป็นต้นและทันกุศลมีสติปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นเองปีติความปลื้มใจในกุศลธรรมที่ได้ด้วยสติและธรรมวิจยะนั้นเอง ปัญสติความระงรับกายระงรับจิตได้แก่ความไม่กระวนกระวายจิตเจตสิกในขณะกุศลธรรมมีสติปัญญาและสมาธิเป็นต้นเกิดขึ้นนั่นเองสมาธิความตั้งจิตในอารมณ์อันเดียวได้แก่เอกขาตาอัปนาชาทั้งสี่นั่นเองอวรมทั้งอุปจาระด้วยอุเบคาความเพ่งโดยอุบาทได้แก่ความไม่ขวนขวายในที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิอีก เป็นแต่แท่งจิตที่ถึงซึ่งความระงับอยู่แล้วเท่านั้นเองธรรมะเจ็ดนี้แลชื่อว่าโพชทโธงเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าดำเนินในวิชาสามแล้วถึงความตัดรู้รู้เท่าสังขารก็ชื่อว่าพระองค์เจริญโพชทงเจ็ดด้วยคำว่าเจริญโพุทโธงทั้งเจ็ดนั้นเป็นคำกล่าวโดยนิรวะเสดหมายถึงว่าไม่มีตัวเหลือกำหนดตามโพุทชังคานิยม แต่ถ้าว่าในขณะอรัตธรรมอรัตผลบังเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ถึงความตัดสรูรู้เท่าสังขารนั้นก็ชื่อว่าพระองค์เจริญพวทชงมีแต่หกเพราะปีติสัมพวทชงพระองค์มาละเสร็จแล้วด้วยตัติยฌานอันหนึ่งกิจในพรหมจรรย์โดยสังเกตมีอยู่สองคือปหานะและภาวนาคาว่าพระผู้มีพระภาคมาละนิวรณหานั้นเป็นคาแสดงปานากิจว่า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 ทิฐิจริตก็มีสองคือหยาบและละเอียดกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นสบายก็คือเป็นสปายะแก่คนที่เป็นตัณหาจริตอย่างหยาบเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นสปายะแก่คนเป็นตัณหาจริตอย่างละเอียดจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นสปายะแก่คนที่เป็นทิฏฐิจริตอย่างหยาบพวกชอบใช้ความคิดธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นสปายะแก่คนที่เป็นทิฏฐิจริตอย่างละเอียด ก็แลมละนิวรณห้าตั้งจิตในสติปัฏฐานสี่และเจริญพชทชงเจดสามนี้ละสิ่งละสิ่งหมายถึงตระยานตระยางในการเป็นบุรพภาพหมายถึงก่อนที่จะบรรลุอริยมรรคขณะที่อบรมขณะที่เจริญเบื้องตน้นย่อมมีย่อมเป็นในขณะจิตต่างๆการบ้างแต่ในการเมื่อมรรคมันเกิดขึ้นย่อมมีย่อมเป็นในขณะจิตอันเดียวกัน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 เพื่อจะให้รู้อธิบายคำในปูภพสิกขาที่กล่าวไว้โดยย่อดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคานพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วในมนุษย์อริยกะทั้งหลายในมัชิมะประเทศโดยชาติพระองค์เป็นกษัตริย์โดยโคตพระองค์เป็นโตคตมะโคตเป็นบุตรสัตยกษัตริย์ออกจากสัตยะตระกูลบวชแล้วพระองค์แสวงหากิ่งกุศลสันติวรบทส่วนธรรมระงับทุกขอันบรวรประเสริฐไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า พระองค์ได้มาละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นของธทำปัญญาให้เสียกำลังพระองค์มีจิตตั้งลงเฉพาะในสติปตฐานทั้งสี่ยังพงูดจงเจตให้เป็นให้เจริญขึ้นโดยความถ่องแท้แล้วตรัสรู้สัมมาสัมโพธิปัญญาทําเป็นเครื่องตรัสรู้เองชอบประเสริฐไม่มีสิ่งรายยิ่งกว่านักโคนโพอัดสัตยพึกริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราดังนี้แล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 สิ้นกับหนึ่งกับหนึ่งนั้นจะพึงสิ้นไปเปล่าในระหว่างคุณของพระพุทธเจ้าในระหว่างกาลานานเท่านั้นไม่พึงสิ้นเลยด้วยเหตุดังนี้แลจึงว่าคุณพระพุทธเจ้าใหญ่หลวงมากนะักพ้นที่จะพันนาแต่ตัดให้สั้นลงก็มีอยู่สามคือปัญญาอย่างหนึ่งความบริสุทธิ์อย่างหนึ่งพระกรุนาอย่างหนึ่งเท่านี้แลเป็นประธานแห่งคุณทั้งปวง คุณทั้งปวงประชุมลงในคุณทั้งสามนี้สิน้นก็แลปัญญานั้นได้แก่ความรู้เท่าสังขารดังกล่าวมาแล้วคือมักคญาณซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัพัายุตยานกับญาณอันเศษมีจตุเวสารชยานทศพลยานอนาวรณญาณเป็นต้นที่เกิดแต่มักคญาณให้สำเร็จคุณแก่สัตวโลกคือรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว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 พระองค์เป็นพระโพิตสัตวอยู่มีอุปริสัยควรแกอรหัตผลสาวกบ ร, รมียานแล้วได้ประสบพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระทีปังกรเป็นต้นแม้หวังจะพ้นทุกแต่ผู้เดียวรับเทศนาแต่สํานักพระทีปังกรนั้นก็จะสําเร็จอรหัตผลสาวกบ ร, รมียานพ้นสังสารทุกข์แต่ตนผู้เดียวได้หากพระองค์เห็นตัดทั้งหลายร้อนอยู่ด้วยเพลิงทุกข์มีชาติเป็นต้น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 เศษสมธาที่ต้นมีเท่าไรมีสองคือมหากรุณาสมาโยคะและโพธิสัมภาระสัมภาระมหากรุณาสมายคะเป็นอย่างไรความที่พระองค์ประกอบพร้อมด้วยกรุณากรณีสัตว์อันใหญ่หลวงซึ่งมีมาแต่บาดมูลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรอ น, นั้นมายั่งยืนในสันดานไม่คืนคลายทุกภพมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้ นี้แหละชื่อว่ามหากรุณาสมาโยคะโพธิสัมภาระสัมภาระนั้นเป็นอย่างไรความที่พระองค์เพิ่มพูนโพธิสัมภาระบารมีพุทธการกธรรมคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาอธิษฐานเมตตาอุเบขาที่ตัดอื่นยากจะทำได้ที่กาลนานนับด้วยโกธแห่งกับเป็นอันมากนั้น นี่แลชื่อว่าโพธิสัมภาระสัมภารณะสองสัมปทานี้เป็นคุณอันถึงพร้อมแห่งพระองค์เป็นเหตุเบื้องต้นให้สําเร็จผลและสัมปทาและสัตตุปการะสัมปทาเบื้องปลายจึงชื่อว่าเหตุสัมปทาผลสัมปทามีเท่าไหร่ผลสัมปทามีสี่คือญาณสัมปทานหนึ่งปหานาสัมปทานหนึ่งอนุภาวสัมปทานหนึ่ง รูปกายาสัมปทาหนึ่งญาณสัมปทานั้นเป็นอย่างไรมักคญาณพระปัญญาความรู้เท่าสังขารในมรรคทั้งสี่ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตยานและญาณอื่นมีทศพลยานและอนาวรณะยานจตุเวสารชยานเป็นต้นซึ่งให้สำเร็จตามความสามารถในเยยธรรมทั้งปวงโดยสะดวกและประกอบอุบายเทศนาสอนสักไม่ขัดขวางขั้นคล้ม ตระยานเหล่านี้ชื่อว่ายานะสัมปทาตหานะสัมปทานนั้นอย่างไรความที่พระองค์มะละกิเลกับทั้งวาสนาถาได้โดยส่วนอันเดียวไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกเป็นธรรมดานี้แหลชื่อว่าตหานะสัมปทาอานุภาวะสัมปทานั้นเป็นอย่างไรความที่พระองค์เป็นอธิปดีเป็นใหญ่ในที่จะให้ความประสงค์สำเร็จตามความปรารถนาคือพระองค์เป็นอิสระในจิต จะแสดงอิทธิฤทธิ์ประการใดได้ตามประสงค์ทุกประการดังนี้ชื่อว่าอานุภาวสัมปทารูปกายะสัมปทาเป็นอย่างไรความที่พระองค์บริบูรณ์ด้วยพระกายอันประดับด้วยทวตติงสัคมหาสัตปุริสลักษณะก็คือมหาปุริษลักษณะส2มิสองและอาศัแตยานุพยัญชนะอนุพยัญชนะแปิ อันควรเป็นนยนาพิเศษตดวตรงจกตุแห่งสัตวโรคทั้งปวงอันนี้ชื่อว่ารูปกายสัมปทาสี่สัมปทานี้เป็นคุณถึงพร้อมแห่งพระองค์สำเร็จ ม, มาแต่เหตุสัมปทาจึงชื่อว่าผลสัมปทาสัตตุประการสัมปทานนั้นมีเท่าไรมีสองคืออาสยะหนึ่งและปะโยคะหนึ่ง อาสยะนั้นเป็นอย่างไรความที่พระองค์มีพระหฤทัยเยืกอเกียนด้วยพระกรุณาหวังประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นนิสแม้สัตว์ที่ทำความผิดดังพระเทวทั์เป็นต้นพระองค์ก็ทรงพระกรุณานี้อย่างหนึ่งอันหนึ่งความที่พระองค์เห็นสัตว์อื่นมีปัญญนสียังไม่แก่รอกพระองค์ทรงคอยท่าการอยู่กว่าินทรีแห่งสัตว์จะแก่ควรแก่าการตัดรู้หนึ่ง สองนี้ชื่อว่าอาศยะอาสยะมีสองอย่างก็คือมีใจกรุณาแกสัตว์เป็นนิสกับมีความสามารถในการที่จะรอให้อินทรีย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความแกรรูส่วนประโยคะนั้นอย่างไร่อนที่พระองค์มีพระหฤทัยบริสุทธิ์ไม่เพ่งต่ออามิ t มีราบสตาระเป็นต้นทรงแสดงธรรมด้วยยานะไตรมุขคือศีลสมาธิปัญญา อันเป็นทางพระนิพพานทรงเปิดเผยจำแนกซึ่งธรรมนั้นๆกระทำให้ตื้นขึ้นให้ตัดอื่นที่มีอุปนิสัยตัดสรู้ตามบรรลุโลกุตระผลนำตนพ้นจากทุกทั้งปวงได้อันนี้ชื่อว่าปโยคะอาสยะและปะโยคะทั้งสองนี้เป็นคุณถึงพร้อมแห่งพระองค์เป็นอุปการะเกื้อกูลแก่ตั์อื่นทายเดียวจึงชื่อว่าสตุปการะสัมปทา นี้แลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเป็นคุณแก่โลกด้วยพระองค์พร้อมด้วยสัมปทาสามดังกล่าวมานี้แลอันหนึ่งอระหันตาที่คุณแห่งพระพุทธเจ้าผู้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นคุณใหญ่เล่าลืออยู่ในโลกปรากฏแก่เทพ ย, ยดามนุษย์มากกว่าคุณทั้งปวงเพราะเหตุนั้นในปุพพสิขาจึงได้ว่าก็แลเกติสัอันงงามแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ไปในเบื้องบนยิ่งฟุ้งไปดังนี้ว่าอิติปิโตภะควาอาระหังสัมมาสัมบุตโววิชชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิ đ ูอนุตตโรปุริสธ ร, รมมาาระธิสัทถาเดวะมนุษสานังบุตโทภะควาตีวันนี้ก็สมควรจะเวลาเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็จะได้แสดงเรื่องของการพนานา พระทธคุณก้าบทนี้ตามปุพภสิกาว น, นาวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ตัฏฐาปิติประโบสแล้วน้อมนําคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฝังลึกไว้อยู่ในห้วงหาดทรายน้อมนำออกมาร่ครวนน้อมนําออกมาเจริญให้คล่องแคล่วเพื่อจะได้เกิปิติประโบสถแล้วก็น้อมไปในวิปัสสนาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิแล้วก็น้อมไปในวินตตวปัสส น, น, นาเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ขอให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงในสันสจธรรมของพะมาสัมพุทธเจ้า โดยการไม่เนินชาดิเถรนสาธุสาธุสาธุ